พระมหาการุณาที่ทรงมุ่งแสดงให้เห็นอำนาจกรรมพระพุทธองค์ก่อนจะทรงดับขันธปรินิพานทรงพระประชวนด้วยพระโลกลงพระโลหิตเหตุด้วยทรงรับประเคษอาหารสุ ก, กรมัตถะจากนายจุนทะผู้มีศรัทธายิ่งนักในพระพุทธองค์เสวยอาหารนั้นแล้ว ก็ส่งลงพระโลหิตข้อที่พึงสังเกตก็คือเมื่อทรงรับประเคนอาหารจานนั้นทรงทราบดีแล้วว่าเป็นอาหารมีพิษจึงรับสั่งให้นําไปฝังเสียมีให้ประเคีนแก่พระอื่นๆที่ตามเสด็จไปด้วยพระองค์เสวยและก็ทรงได้รับพิษจากอาหารนั้นเป็นความทรมานพระองค์มิใช่น้อย โดยเหตุทรงมีพระชนมายุมากแล้วถึง8ปสิบพรรษาผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายน่าจะได้แลายเห็นพระมหากรุณาที่ต้องส่งมุ่งแสดงให้เห็นอำนาจแห่งกรรมที่ไม่อาจมีผู้หนีพ้นได้นึกถึงพระมหากรุณาคุณข้อนี้ให้อย่างยิ่งให้ทราบซึ้งถึงใจส่งมุ่งแสดงให้ประจักษ์แจ้งชัดเจน จนถึงทรงเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เองทรงเสียสละด้วยพระมหากรุณาใหญ่ยิ่งถึงเพียงนี้ควรหรือที่จะไม่พากันนอบน้อมยอมรับพระมหากรุณานั้นไว้เหนือเสียเกล้าและมุ่งปฏิบัติตามที่ทรงแสดงสอนด้วยพระวิริยะอุตสาหะลำบากยากแค้นแสนสาหัสจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพก็ยังทรงลำบากนักหนา เพื่อส่งสอนเรื่องกรรมก่อนทำกรรมใดควรน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะทำกรรมใดขอให้น้อมใจถึงพระพุทธเจ้าทรงเสียสละลำบากเพียงไหน เพื่อสอนให้เชื่อกรรมไม่ให้ทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายให้ทำแต่กรรมดีและกรรมดีที่ส่งแสดงสอนก็ส่งแสดงอย่างไม่ได้ทรงปิดบังแม้แต่น้อยส่งแสดงกรรมดีถึงที่จะพาให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้พ้นทุกขอย่างสิ้นเชิงผลของกรรมไม่ดีก็ส่งแสดงสอนด้วยพระองค์เองพระโรคลงพระโลหิต ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นทรมานนักต้องส่งมุ่งพระพุทธะฤทยัยที่จะส่งสอนเป็นวาระสุดท้ายก่อนเสด็จจากไปก่อนที่ไม่มีผู้ใดได้สดับพระสุรเสียงส่งสอนอีกเลยแม้ไม่ส่งมุ่งเช่นนั้นการเสด็จดับขันธปรินิพานก็คงจะไม่ทรงทรมานพระกายทั้งด้วยทรงกระหายน้า และด้วยทรงลงพระโลหิตทรงมุ่งแสดงผลของกรรมให้ประทับขับใจให้บังเกิดผลดีให้ได้ดังนั้นพึงพากันน้อมรับให้เต็มสติปัญญาความสามารถเชื่อกรรมอย่างมีกระตันยูกะตะเวทีในพระมหากรุณาของพระพุทธองค์เถิดจะเป็นสิริมงคลล้ำเลิศสูงสุดอันเป็นที่ปรารถนาทั่วกัน ถึงพร้อมใจรำลึกพระคุณเพื่อความสวัสดีของชีวิตกรรมดีทางใจที่ควรพร้อมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขสวัสดีทั้งของตนเองและประเทศชาติคือความมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระบารมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปทุกผลทุกแห่ง ทุกเวลานาทีพึงพร้อมกันน้อมใจรับเพียงด้วยการรำลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพุทโธพุทโธพุทโธในทุกเวลานาทีที่ไม่ได้มีภาระอื่นจะนั่งนอนยืนเดินพึงพร้อมกันทำอย่าได้ว่างเว้นและทุกคนทำได้ทุกคนมีเวลาทำมากมาย ในรถที่ติดในที่นอนที่นอนไม่หลับในงานที่ไม่ได้ต้องใช้ความคิดมากมายนักในเวลารับประธานและในเวลาอื่นอีกมากมายการภาวนาพุโทโธไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานยากแต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ถูกผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตนเอง จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเอียงไหนเช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมต่อผู้เป็นเจ้าเวร น, นายกรรมต่อผู้ที่ได้ล่วงล้ำกั้ำเกินกันทั้งน้อยใหญ่ แล้วภาวนาพุโทโธไว้เถิดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจไม่หมดอายุก็จะสวัสดีหมดอายุก็จะไปดีไปสบายไม่ลำบาก